เป็นสายคุณสันครับพี่ซันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซันสบายีเรามีโอกาสเจอกันอีกแล้วนะพี่นะครับคือบอกคุณผู้ฟังก่อนพี่ซันีด้เป็นผู้โชกดีได้เคยไปทริปร่วมกับกิจกรรมของเรานั่นคือเลอแปงและช็อคออนเดบีครับใช่ครับสนุกมากไหมพี่วนนะ้นสนุกมากครับเนาะอันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่ป๋องครับพีโค้ดูแล ได้ดีเยี่ยมมากเลยครับครับผมทั้งอาหารการกินแล้วก็บันเทิงนี่เต็มที่ครับยันเช้าโอ้โหเนี่ยฮะต้องบอกว่าสุดยอดถ้าคราวหน้ามีกิจกรรมอีกนะครับคุณผู้ฟังก็เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเลยครับสุดยอดจริงๆครับได้ครับผมขอบคุณมากพี่ซัมาเรื่องผีด้วยครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าสิงลูกนะฮะครับเดี๋ยวนะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยที่ถนนสายหนึ่งในวัดนครสวรรค์ย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่ผ่านมา ครับเรื่องเป็นอย่งไรพีร่ผมว่าเส้นทางเนี้ยหลายหลายคนที่จะขึ้นัางเหนือต้องผ่านผ่านแน่นอนทุกทุกท่านนะฮะครับนะครับจะเป็นโค้งก่อนจะถึงสี่แยกหน้าค่ายนะครับยิ่งที่จะมีสารอยู่ตรงเกาะกลางของถนนครับอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนจันงหวัดนครสวรรค์เท่าที่เท่าเท่าที่ ตำนานคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นเป็นที่ที่ผม ร, รงสายก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องบีดแต่เวลาผ่านนะฮะเวลาขับผ่านจะต้องบีดแต่สามครั้งก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรฮะก็จนจโตมาเราก็เราก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็จนขับเราก็ยังบีดแต่ ก็ถูกก็คือเวลาขวัญก็เป็นเหมือนกันนะเวลาขับรถผ่านสารพระภูมิหรือว่าสารอะไรตามถนนหนทางคุณพ่อก็จะบีบแต่คนนั้นก็จะบีบแต่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้คือก็รับรู้รับทราบกันมาโดยทำเนียรว่าอโงเคถ้าผ่านโค้งเนี้ยเรต้องบีบแต่ก็จนจนผมปีวันหนึ่งก็คือาขับรถจะไปจะไปบ้านกลับบ้านเนี้ยก็เกิดนึกอยู่ในใจ เป็นัญว่าเอถ้าไม่บีบมันจะเป็นอะไรไห ม, อ, มอันนี้ก็คือโดยโดยโดยโดยโดยโดยตัวของของเราเองเราจะทําไมถ้าไม่บีบมันจะเป็นอะไรไหมแค่แค่คิดแค่คิคคดเฉยๆพอขากลับขับผ่านทางโค้งเนี้ขึ้นมาเดี๋ยมันแล้วถ้ามันจะขึ้นเขาใช่ไหมฮะทางทางที่จะเข้า น, านครสวรรค์พอขึ้นเขามาเนี่ยผมก็อ่ะอลองไม่บีบดูอันนี้ย ผมก็มีลูกนอนหลับอยู่ข้างซ้ายมือนะครับแฟนก็จะนั่งอยู่ทางด้านหลังพอไม่บีดสักพักหนึ่งเนี่ยลูกผมก็พูดขึ้นมาว่าพ่อช่วยหนูด้วยเดี๋ยวนะลูกคุณสามีผู้ชายผู้ชายครับอันนี้อายุนนประมาณอตอนนั้นคือห้าขวบเขาเขาหลับอยู่นะฮะแต่ว่าขับพอขับผ่านโค้งนั้นผมไม่บีดแต่ก็อยู่ดีก็พูดออกมาว่า พ่อช่วยหนูด้วยอซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เสียงของลูกผมอะ่ะอซึ่งผมก็เลยเอ๊ะมันยังไงออืทีเนี้ยก็เลยรีบจอดพอเลยพ้นโค้งนั่นมาหน่อยนึงใช่ไหมมันก็จะมีทางอ่าออกเบี่ยงซ้ายได้ก็จอดเลยจอดเสร็จปุ๊บผมก็เอ๊ะมันยังไงเนี่ยผมก็พยายามปมลุกลูกอือลู ก, ล ก, ลกตื่นตื่นตืนตืน่ลูกก็ไม่ไม่ดูเรื่องก็ยัง อย่างพูดพ่อช่วยหนูด้วยพ่อช่วยหนูด้วยอ <No. S 2> ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันลูกผมเนี่ยจะไม่เรียกผมว่าพ่อนะออ oh. ก็จะเรียกผมว่าป้าป้าป๋าป๋าซึ่งไม่เคยเรียกพ่อเลยนี่เราก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ถอดถอดพระจากคอมาแล้ค้องไปที่ลูกอ hmm. นะครับอันนี้ก็ก็ยังก็ยังพูดเหมเดิมอยู่ พ่อช่วยหนูด้วยก็ก็ร้องร้องอย่างเงี้ยฮะพ่อช่วยอยู่ด้วยแต่ผมก็ได้ยินเสียงแล้วก็ก็ลุกขึ้นมาก็ช่วยกันครับช่วยกันปลุกลูกทีนี้ผมก็เอ๊ะไม่ค่อยจะดีละทีนี้ก็เลยสวดมนต์ก็ก่อดแฟนแฟนก็กอดลูกไว้แล้วก็สวดมนต์บอกว่าถ้าลูกได้ได้อ่าล่วงเกินหรือผิดพลาดประการใดลูกขอกลาวอภัยตรงนี้แล้วก็ขออย่ายมารบกวนลูกหลานของผมเลยค นะครับก็จากนั้นก็ปลุกกเขาก็รู้สึกตัวอก็เรียกก็รู้สึกตัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ขับรถกลับบ้านไปทีเนี้ยโดยนิสัยของพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนอย่างเงี้ยคือเราแค่คิดในใจว่าบางทีเนี้ยเราทําไมถึงแบบนี่ตรงนี้เราทําไมต้องอย่างเงี้ยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคือทําไ ม, มต้องบิดแต่ืองแค่คิดเองนะคุณขวัญ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนีน้คือปกติเราก็บีบแต่ผ่านทุกครั้งเราก็บีบทุกครั้งเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอื่นะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็มีอีกครั้งนึงคุณขวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมก็แค่คิดเล่นๆ เ, เหมือนกันว่ามีอยู่วันหนึง่งมาทํางานที่กรุงเทพแล้วนะฮะ uh huh. ก็คือผมจะเป็นคนนับถือเสด็จพ่อรอห้านะครับก็ไป สการะท่านเสด็จพ่อเราห้าวันที่ยี่บสองคืนคือคืนของวันที่ 22, ยี่บสองยันเขาสู่ยี่สิบสามตุลาครับก็จะมีคนไปสการะครับเป็นใช่ไหมฮะที่ลานวรามารูปครับทีนี้ผมก็ไปว่า้สการะกับแฟนก็พาแฟนไปไวหาสการะเสร็จก็คนก็จะเยอะใช่ไหมฮะผมก็คิดอยู่ในใจว่าเสด็จพ่อ อ่าหรอค่ะน่บารมีท่านเยอะเยอะมากๆคนเขาก็จะมา ม, มาบูชามาสักการะมีเครื่องไหว้ถวายท่านอะไรเงี้ยใช่ไหมฮนะมผมก็แ ค, แค่แค่คิดมาที่ส่ว่าแล้วเสดทอมมีมีปฏิหารอะไรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คิดแค่นี้เองคุกผันเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปขึ้นรถ ตรงข้างๆที่จอดรถไว้ใช่ไหมฮะใครจะแฟงก็ก็แฟงก็ขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บผมก็จะเปิดประตูรถไม่ทันมองคุณขวันก็มีอ่าผู้หญิงมายืนข้างๆข้างๆผมแหละแล้วก็บอกว่ า, าถามผมว่ า, าที่จะผฐานหน้าพระราชวังไม้ขอติดรถไปลง ลงตรงหน้าพระราชะังหน่อยครับผมก็ผมก็หันมามองผมก็ยังไงเอ่ยแต่เกาก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นอ่าเป็นคุณป้าแล้วะเป็นอผู้สูงอายุแล้วก็อ่าประมาณนี้ครัแต่ผมก็ผมก็ยังเอกใจเอ๊ะอแล้วคุณป้ามาอย่างไงเนี่ยคแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรนะก็โอเคผมก็มีนำลังใจผมก็อ่เชิญครับคุณป้าผมก็เปิดนั่งข้างหลัง ก็ขับรถออกมาจากลานพัดลมรูปจะออกไปทางราชบัตร <c oughs> ขับมายังไม่ท้นลานพัดลมรูปเลยครับผมก็มองกระจกข้างหลังคุณป้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปคนระับ <c oughs> ใบหน้า <c oughs> ใบหน้าเปลี่ยนไป <c oughs> ใบหน้าเป็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้ความเชื่อถ้าไม่เจอกัดตัวก็บางทีก็ ต้องเจอกับตัวเองนะฮะถึงจะถึงจะเข้าใจว่าเอ้ยมันมันเป็นปฏิหารจริงๆหน้าเป็นเสด็จพ่อรอหัอครับผมจากหน้าป้าเปลี่ยนเป็นหน้าเสด็จพ่อรอหรัสผมก็ผมก็มองกระจกหลังผมก็ป้าแกก็ไม่ตอบป้าครับแกก็ไม่ตอบทีนี้ผมก็เลยคิดอ่าที่อยู่ในใจก็ให้เสด็จพ่อหรือ เสด็จพ่อรองห้างหรือเปล่าผมก็บอกเสด็จพ่อรองห้าหรือเปล่าครับท่านก็อผมก็อันนี้อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่ออันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะฮะ ควเชื่อส่วนบุคคลนะครั บ, บของพี่ซันนะอันนี้เราร บ, บอกก่อนนะครับก็ถือว่าท่านไม่เจอตัวเราจะไมถือว่าเป็น เ, เป็นเป็นบรารมีของพระองค์ท่านนะที่มีคนไทยนะครับตัวทรงตัวขวัญเนี่ยขวัญก็เคารพพระองค์ท่านมากๆานะครับศรัทธาด้วยแล้วก็ไปไหว่ยอยู่ประจําด้วยนะครับผมบนั่นคือเรื่องสั้นๆของพี่ซันเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องแรกก่อนพี่ซันนะครับเรื่องของตำนานของศาลตรงนั้นเลยครับตรงโค้งอ่ะคือผมเห็นผมเห็นมานานแล้วเหมือนกันนะ อ่าใช่ครับแล้วก็คือแค่ครั้งเดียวอ่ะที่เราไม่บิ๊มไม่บีบแต่ถูกครับแล้วเราก็ไม่รู้อะว่าว่าว่าว่าคือคืออะไรคือเข้ามาในในร่างของลูกเราหรือว่าอะไรเราอย่างเงี้ยครับผมผมเชื่อว่าเป็นยิญยาณตรงที่เสียชีวิตตรงนั้นหรือเปล่าออเพราะว่าเช้าปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็พาลูกไปไปทําบุญแล้วก็ให้พระ ลดน้ำมนตว่าผมก็เล่าให้ให้ให้ให้ใหใหพระฟังว่าเออมื่อคืนเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยครับแล้วพระท่านก็บอกว่าอ๋อมันก็อาจจะเป็น ไ, ได้คือเด็กขวัญยังยังไม่แข็งประมาณนี้เขาก็อาจจะมาแบบมาก็มามาแฝงได้ประมาณนี้คระบเขาก็ถ้าทําการลดน้ำมนต์ให้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็เปไปได้วิญญาณเด็กเนี่ยเอาพี่ให้ขอเรื่องราวของเด็กเนี่ยมีจิตที่บริสุทธิ์ ถูกฮะถูกครับอืมก็อาจจะสัมผัสได้เรื่องราวตรงที่ว่าตอนเด็กผมก็เคยฟั ง, งเรื่องราวจากคุณแม่ว่าผมเคยคุณแม่เคยพาผมไปหายาที่ต่างจังหวัดที่พิจิตรแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยร้องงองแงมากเพราะว่าตอนนั้นเห็นบอกว่าคุณลุงของคุณแม่หรือว่าคุณลุงของคุณพ่อเมื่อแใจเหมือนกันนะครับท่านเสียใหม่ๆแล้วผมเพิ่งคลอดได้ไม่นานด้วยผมไปถึงที่นัน่นปุ๊บผมรลงจากรถไม่ได้เลยครับร้องไห้ก็จะร้องแงแบบแม่เอาใครเลยครับครับจนที่บ้านต้องจุดธูปบอก ว่าเอออย่ามากวหลานนะอย่ามาแกล้งหลานนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เงียบอือนี่ก็แปลกเหมือนกันเนะี่ยผมผมผมเชื่อว่ า, เ, าเด็กเนี่ยมีใจิตใจบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีจิตที่<อ>บริสุทธิ์แล้วก็สามารถสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ผมเชื่ อ, องนะ น, นะครับก็<อ>มันก็มีเหุาการตามมาก็คือเวลาลูกผมเนี่ยมาอยู่ที่บ้านครับมาถึงบ้านเนี่ยก็เหมือนกับเขาจะเล่น เล่นกับเหมือนก็มีคนเล่นด้วยกับเขาอะไที่ที่เจอนะครับก็คือเราก็งงมีอา้าวลูกเล่นกับใครเนี่ยเขาบอกอ้าวเนี่ยไม่เห็นน้องเหรอน้องเล่นเข็นรถอยู่อืก็เราเราก็อ๋อแสดงว่าเขาอาจจะเขาอาจจะตามมาเลยก็อาจจะผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอาจจะเคยมีเป็นมีกรรมร่วมกันมาหรือเปล่า อ, อันนั้นก็คือเเรียกหรืออาจจะเป็น อะไรอันนี้ก็อธิบายไม่ไม่ไม่ไม่ถูกนะฮะแต่นี่แปลว่าเราก็เราก็ทำบุญทำแผ่แม่ตาสวดมนต์อะไรให้ให้เขาไปจนพออายุลูกเริ่มโตขึ้นมันก็หายไปครับก็เรื่องนีเท่านี้ครับครับมีผู้ฟังในแชทของ YouTube Live ของเราบอกว่าตรงโรงเรียนนั้นเคยมีผู้ชายผูกคอตายใกล้ๆศาล้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่เป็นข่าวดังเลยเห็นจากคุดออซ่าบี แต่นั่นดูเหมือนว่าอันนี้คือความเชื่อคนอข้างในนะรับว่าเหมือนกันว่าเขาน่าจะไปลบหลู่อะไรแล้วก็โดนสิงแล้วก็โดนโดนวิญญาณเข้าสิงมาให้มาตายตรงนั้นอันนี้เป็นเป็นคําล้ําลืออย่างนั้นนะคุณขวัญอ๋อครับประมาณนี้ครับนะอะผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเดินทางไปไหนตอนไหนเนี่ย เรื่องของการบีดแตะให้สารหรือว่าสิ่งศักสิทธที่อยู่ใ น, นบริเวณนั้นนะเป็นความเชื่อส่วนตัวแหละแต่ผมว่าอีกหนึ่งเลยที่มันสามารถช่วยเได้คือสมมติว่าเราขับรถอยู่ห่างไกลแล้วเราไปเจอสารเราบีบแตะปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ร่ากนกายเราได้ตื่นตัวนะพี่ใช่ดุ๊กก็ยังดีถูกไหมฮะอย่างน้อยคือมันเตือนสติให้เราระมัดระวังขึ้นใช่ครับใช่ โอ้ครับผมไว้ทุกท่านเลยครับสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆครับผมนะฮะอย่าลืมอย่าลืมก็าถือว่าเป็นการเคารพสกละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหน้าที่แห่งนั้นครับผมอะเอาล่ะนั่นคือเรื่องรางหมดนอพิซซันนะครับผมได้เลยครับพิซซันขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยววันนี้มารลุ้นกันนะครับว่าเรื่องของพิซซันจะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับยังไงอ่ฝากขอบคุณทีมงานของเดอะช็อคทั้งหมดเลยนะครับที่ไปงาน คนผีทะเลอีกครั้งนึ่งครับขอชื่นชมว่าจัดได้ยอดเยี่ยมแครับสอดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคราวหน้ามีกิจกรรมสมัครไหมนะพี่นะครับยินดีครับอยากอยากบอกถึงคนที่ไม่ได้ได้สิทธิ์แล้วไม่ได้ไปเนี่ยคราวหน้าในีห้ามพลาดเลยนะโอ้ตัวเท่าโอ้ฝ่ามือครับอยากจะฝ่ามือต้มีครับเอาว่ากันไปว่าไปขอบคุณมากพี่ซานครับเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องเราเดี๋ยวเราเขาว่ากันนะพี่ซานนะ ได้ครับขอบคุณมากครับพี่สันขอบคุณครับสวัสดีครับ